อาเตียนถามว่าความคิดกับจิตวงเล็บวิญญาณเป็นตัว เป็นตัวเดียวกันหรือไม่แล้วก็ดูจิตอย่างไรจึงจะรู้ว่าเปเปอยอย 5 อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพุทธเจ้าบอก ก็คือผู้รู้หรือวิชานาติก็คือผู้รู้หรือวิชชนาตินะครูอาจารย์อธิบายว่าวิญญาณ 4 ชื่อจิตมโนวิญญาณผู้ส่วนขันธ์อื่นเป็นอะไรเราบอกว่าความคิดกับจิตใช่มั้ยอ่าจิตไม่ใช่ สัญญาสังขารใช่มั้ยเออมันน่าสัญญาสัญญาความจําได้หมายรู้นี่ผู้คิดคือ 2 ตัวนี้เห็นมั้ย 5 แล้วก็ดูซิอาการ 5 นั่นน่ะเดี๋ยว 2 คือ ที่ 2 คือดับเย็นใช่มั้ยดับเย็นเหรออ๋ออัน 2 ดูจิตอย่างไรดูท่านตอบแล้วดูจิตอย่างไรใช่มั้ยที่จะรู้ว่าเป็นจิตถึงจะๆเลยรู้สึกแค่ลมเข้าลมออก ลมไม่มีความรู้อะไร 2-3 วินาทีสูดหายใจเข้าปั๊บแล้วก็หยุดรู้สึกนิ่งจิตผู้รู้นะไม่ใช่ผู้คิดไม่ใช่ผู้จําไม่ใช่นี่ และปล่อยวางจิตก็คือเห็นตัวจิตเกิดดับเห็นจิตเกิดดับก็กลับมา พระองค์จึงบอกกายนี้ตั้งไว้เป็นเพียง ดับเย็นที่ท่านอาจารย์ว่าหมายความว่าละสังขารโดย ยิ่งเร็วขนาดไหนเวทนายิ่งเกิดขึ้นไม่ทันอาตมาเคยนั่งอย่างเนี้ยนั่งสมาธิอย่างเนี้ยนั่งทั้งคืนไม่ให้ <c oughs> โอ้โหมันจะสั่งแล้วลุกขึ้นอย่างเดียวแหละเอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวพิการเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่ความคิดมันจะ 2 ครั้งที่ ก็ผ่านแต่ผ่านไม่เอกฉันท์ผ่านแบบต้องต่อสู้มาก ถ้าความรู้ขยับปั๊บปลิบกลับขยับปั๊บรีบกลับขยับปั๊บ 3-4 ครั้งล่า ผ้าที่วงยุวรอ่าก็เลยได้เทคนิคอันนี้มาแล้วก็อ่ะมาบอกพระให้ลองทําดูซิเอ้ยเค้าบอกว่าโอ้โหดีมากแล้วอีกอย่างเวลาจะ <c oughs> 3 ชั่วโมงแล้วนะ เรเรเราก็เริ่มได้เทคนิคเราก็เริ่มเพราะเวทนามีได้เพราะอะไรเทคนิคเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราปล่อยอารมณ์ให้ไว แต่ไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยได้นั้นแนะนําวิธีนี้เพราะเห็นว่ามันจะๆขยับทีละๆคลายกว่าจะลุกได้ใน เหมือนโยม 200 โยมเหยียบ 200 ตลอดเดี๋ยวก็พังน่ะใช้ร่างกายเต็ม ที่สบายๆเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดีกว่าไม่ต้องไปอัตตกิเลมถานุโยโคทรมานตนนะไม่ประกอบสุกในทางสายกลางนะหยิบมักวิธีที่ง่ายตาไม่ลำบากใช่ แค่หามาก